3, 2, อรุณสวัสดคะ่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะเป็นวันแรม8ดข้าเดือนอ้ายปีมะโรงคะ่ะก็คิดว่าเรามาพบกันในเช้าวนันนี้ในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นช่วงของการสากาักษาท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ตามรับฟังรายการของเราเป็นประจาทราบกันดีลคะค่ะว่า ในเช้าวันเสาร์และ ว, วันอาทิตย์นั้นเดชันก็จะได้มีโอกาสนะคะเขาเรียกว่ามีบุญค่ะที่ได้รับเชิญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้มาเป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะมาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนองค์เรียกว่าองค์วิทยากรประจํารายการธรรมารับบรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนั้นท่านจําวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดอย่างยิ่งอยู่ที่วัดบ่าดอนไหโศก ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็วัดนี้มีพระเดชพระคุลหลวงพ่อดอรสอาดที่โทผโสหรือท่านพระคุณสิทธิภพีกรนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสที่เปลี่ยนไปด้วยวัดปฏิบัติที่งดงามแล้วก็มีจิตเมตตายอย่างยิ่งนะคะการจะพบกันในเช้าวันนี้ก็อยากจะก่อนนาท่านมาฟังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ตามรับฟังกันมาแต่เช้าเมื่อวานนี้วันเสาร์ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านมาฟังจําได้ล่ะค่ะว่า เมื่อวานนี้ทางพระอาจารย์ภัยบุญอ ภ, ภิปุโนได้สักการะเกี่ยวกับเรื่องของอมาตราหนึ่งิบสแล้วก็มีเรื่องของบาปกรรมการตอบสนองต่างๆและลงท้ายด้วยสิ่งที่คิดว่าพระอาจารย์จะได้เมตตามากล่าวเพิ่มเติมในเช้าวันนี้ก็เรียกว่าสักการะขยายความให้ได้รับฟังกันละค่ะซึ่งเดี๋ยนคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้ากับเหตุการณ์หรือว่าสังคมเราในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเรานั้นเนี่ย มีความทุกข์อะไรต่างๆมากมายในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยแม้เหตุการณ์ในด้านของมหาอุทกภัยได้ผ่านพ้นไปแล้วส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ยังมีบางท่านที่ยังมีทุกข์อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ข้ามพ้นตรงนั้นไปก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นก็ข อ, อนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการรับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโดได้สารกถาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปฏิบัติธรรมนะคะ แล้วก็การทำอย่างไรจรึงจะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยมีความสุขได้ในะระหว่างนี้ในขณะ น, นี้ที่ประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าในสังคมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเผชิญอะไรร้ายๆร่วมกันค่อนข้างเยอะก็ข อ, อนำท่านผูฟ้ฟังมากราบน้ำส ก, การพระอาจารย์ไพบูลพร้อมกันเลยนะคะกราบน้สัส ก, การเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญฟาน สาธุเจ้าค่ะเมื่อวานพระอาจารย์ได้พูดถึงตอนท้ายนะเจ้าคะว่าคนเรานั้นเนี่ยโดยมากมักจะมีความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความเกลียดหรือความเกลียดที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดอขอ ธรรมมาสการแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ได้สาขาฉาตรงนี้เพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในรายละเอียดอย่างที่หลายท่านใจจดใจจาะตามมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะเจ้าค่ะคุณเจ้าค่ะคือพูดถึงสี่อย่างนี้ก่อนนะอย่างคือเรื่องนี้มันเกิดกับเราทุกๆวันทุกๆวินาทีตลอดเวลาเอาแค่ง่ายๆตื่นเช้ามาคุณเปิดหนังสือพิมพ์เห็นข่าวอันนี้เขาพลาดหัวสักอันหนึ่งเราก็สะกิดใจเราละถ้าเรามีสมมุติข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่เราไม่ชอบ เราก็จะมีความไม่พอใจถ้าเป็นค่าวที่เราชอบเราก็มีความพอใจใช่ไหมทีนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลอื่นด้วยพระพาพูดถึงสมมุติว่าเราชอบสิ่งนี้อยู่อย่าง เ, าเราอาจจะชอบรัฐบาลชุดนี้ยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราชอบรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแล้วมีใครมาด่ารัฐบาลชุดนี้นะเราจะเกลียดคนนั้นเขานะั่นนี้คือความเกลียดที่เกิดจากความรักเพราะเรา<ช>รักรัฐบาลชุดนี้นี่ใช่ไหมนะจุ๊กขาทีนี้ถ้ามีใครมาด่ารัฐบาลชุดนี้ให้ฟัง ถ้ามีใครมาชมรัฐบาลชุดนี้เรารักรัฐบาลนะคุณมาชมรัฐบาลอ้าวฉันก็รักเธอนะก็คือความรักอันเกิดจากความรักเข้าใจไหมเจ้าค่ะหรือว่าในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้แล้วก็มีคนมาด่ารัฐบาลให้ฟังแหมเรารู้สึกแหมพูดกันได้เข้าขาจริงๆเลยพูดเป็นคอร์เดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความรักที่เกิดจากความเกลียดก็เราเกลียดรัฐบาลเราจึงรักคนที่ไม่ชอบรัฐบาลเหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าความาถ้ามีคนมาพูดชมรัฐบาลให้เราฟังเฮ้ยผมพูดนี้มันฟังไม่เข้าหูเลยเพราะเราไม่ชอบรัฐบาลอยู่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นความเกลียดที่เกิดจากความเกลียด อ, อันนี้เป็น4อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเธอต้องละนะแล้วมันเกิดขึ้นกับเราทุกๆวันเอาแค่ว่าเราส่งลูกไปโรงเรียนคุณครูเรารักลูกเรานะเรารักลูกเราป <Okay. S 2> รากฏว่าคุณครูที่โรงเรียนตีลูกเราจะมีความเกลียดที่เกิดจากความรักทันที เกลียดกูเลยหรือเกลียดเพื่อนเวลาเขาชกต่อยกันถ้าลูกเราถูกแล้วเด็กคนนั้นที่มาต่อยกับลู ก, ลกเราเนี่ยผิดเราจะมีความเกลียดที่เกิดจากความรักทันทีทีนี้เราต้องทำยังไงพรพุทธเาบอกพวกนี้ต้องละให้หมดยกตัวอย่างใกล้ตัวหน่อยอย่างเช่นลูกต่อของเราเองอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยเราจะไม่มีความเกลียดที่เกิดจากความรักในบุคคลที่มาตีลูกเรา เข้าใจไหมเราจะทำยังไงเราจะวางใจเป็นกลางตัดสินไปตามเหตุผลนะถ้าลูกเราผิดเราก็ว่าผิดถ้าลูกเราไม่ผิดเราก็อธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เด็กคนนั้นเขาได้ฟังเราจะสบายใจพนะพุทธเจ้าบอกต้องละสิอย่างนี้ให้หมดหรือว่าใกล้ๆตัวอีกหน่อยก็ไดออ้อย่างเช่นเวลาที่เราไม่ชอบคนในที่ทำงานเนียเพื่อนคนงานคนนี้ฉันไม่ชอบหน้ามากๆเลยอยู่แผนกเดียวกันมาทางานก็สาย ทำงานก็ไม่ได้เรื่องพูดใจาใหญ่โตแต่ว่างานไม่เห็นผลงานเป็นต้นนะเราไม่ชอบคนนี้นะปรากฏว่ามีคนมาพูดดีกับคนนั้นหน่อยหนึ่งเราก็ไม่ชอบคนนั้นด้วยเป็นความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดแต่เราจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้คนคนที่เขามาพูดดีกับเพื่อนร่วมงานคนนี้เขาเป็นคนไม่ดีจริงเขาอาจจะแสดงถึงความเป็นสัมมาวาจาของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้จาจึงบอกคุณจะต้องละตรงนี้ละความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดด้วย เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องคนที่ยังมีความเกลียดความรักตรงนี้ครอบงําใจอยู่เนี่ยมันเหมือนกับพระเจ้ายกตัวอย่างของพระอาทิตย์อย่างเงี้ยคุณเตือนใจก็มีเมฆมาบังมีจันสุริยค่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีจันทรค่าใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะสุริยุปราคาเจ้าค่สุริยุปราคานั่นแหละคือดวงจันทร์มันเต็มดวงอยู่ดีๆอยู่ๆก็มืดไปเลย ชาวบ้านหนองเต่าดอนไหโศกคุณเตือนใจเขาจุดประทัด ต, ตีเกราะอาตมาก็งงเลยว่าเขาทําอะไรกันเอเขาไปรู้ได้งไงเนา ะ, ะต้องอตีกเกราะเกาะไม้ด้วยนนเออั่แหลโบราณเราต้องเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะซึ่งเขาเขาทำยังไงนึกว่าคือเขาไปดูหนังสือพิมพ์ว่าอจะมีสุริอาจารย์รุปราคาวันนี้เขาก็เตรียมประทัดไว้ละเตรียมเกราะเตรียมไม้อะไรละซึ่งเหมือนกับสมัยก่อนเจ้าค่ะทีนี้ประเด็นนี้เราพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยมันถูกบดบังด้วยแสง นะมันทาให้มันไม่ไม่ส่องแสงคืนเดินไห้ด้วยนะคืนนั้นน่ ะ, ะถ้าจะขึ้นเดินไห้แม้แค่สองสามคืนดวงจันทร์ก็ยังส่องสว่างอยู่ถ้าใครมาอยู่ตามปา่าอย่างในวัดป่าหลวไนโศกเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณทั่ว ท, วทวไปก็สว่างขึ้นอยู่ๆก็มืดไปเลยคือมันมืดไปเลยเพราะว่าเราไม่มีไฟอยู่แถวนี้เราก็จะพบว่าโอ้อันนี้มันเป็นเครื่องเศร้าหมองของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะคือเมฆมีห ม, ม, ม, มอกแล้วก็มีไอไอตัวนนาาตเนี้ยจันทรค่าตเนี่ยหรือสุริยค่าต์นะ ซึ่งก็เหมือนกันจิตของเราจิตของเราจิตของท่านผู้ฟังจิตของทุกคนจิตของคนที่ฟังรายการอยู่หรือคนที่ไม่ได้ฟังรายการอยู่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าคุณมีความรักความเกลียดขึ้นขึ้นลงๆจิตเรามัวหมองไปหมดเลยเราจะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเราจะไม่สามารถพิิจารณาเหตุการณ์ได้เราจะไม่สามารถดําเนิน ง, งานของเราได้อย่างเต็มที่ 100% เ์เหมือนกําลังที่เรามีก็จะมืดมืดมัดมวมัวเหมือนกับพระอาทิตย์ถูกเมฆบงังดวงจันทร์ถูกจันทะคัด ราหูมาจับอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เรียกว่าไม่ไม่ไมปร่งใสนะชัวรค่ะก็คือว่าไม่มีความสุขตร ง, งตรงนี้<ช>จะเป็นเหตุของนิวรณ์อันนี้พระพุทธาพูดถึงสิ่งที่เป็นนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าเครื่องกลางกั้นเครื่องเศร้าหมองใจนะทําปัญญาให้ถอยกําลังค่ะอย่างในที่ทํางานอย่างเงี้ยในที่ทํางานหรือว่าในโรงเรียนหรือว่าในที่บ้านอย่างเงี้ยเราต้องมีจิตที่มีความเมตตาคือความเมตตากับความรักที่เกิดจากความรักหรือความรักที่เกิดจากความเกลียดเนี่ย จะไม่เหมือนกันอันนี้ต้องชี้ประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งไม่เหมือนกันตรงไหนเจ้าค ะ, ะความรักเนี่ยมันเป็นลักษณะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินหรือความลุ่มหลงมัวเมาพัวพันเป็นอย่างนี้นะเจ้าค่ะดีความรักในที่นี้หมายถึงความลุ่มหลงมัวเมาพัวพันอย่างเช่นชายหนุ่มกับหญิงสาวอย่างเงี้ยผู้ชายก็รักผู้หญิงมากเลยเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วแหมใจมันเต้นตึกตักตึกตักแล้วก็หน้าแดงหูแดง นี่อารมณ์แบบเนี้ยนี่คือความลุ่มหลงเข้าใจไหมแล้วก็โลกทั้งใบเป็นแต่สีชมพูอันนี้คือมัวเมาละนะแล้วก็เขาพูดอะไรมาเป็นดีไปหมดเลยอันนี้ก็คือไปคนละเรื่องละมีความลุ่มหลงมัวเมาปัวพันแล้วคือความรักทําให้คนตาบอดนะเจ้าค่ะชี้นกเป็นนกชี้นกเป็นไม้อะไรอย่างนี้จะตัดต่างไปได้เลยเจ้าค่ะนี่คือลักษณะของความรักที่พูดถึงในกรณีนี้นะเจ้าค่ะบางคนลงโทษลูกหรือลงโทษอ่า ลูกหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูให้ดนะีเป็นลักษณะของความอาฆาตนะเห็นหมอนี่เขายังไม่ทันนามาอะไรเลยแค่ยิ้มเท่านั้นฉันก็ไม่ชอบเธอทําไมหูเขาไปอยู่ข้างหน้าไม่ชอบมันอย่างเงี้ย <c oughs> นี่คือความเกลียดนี่ <c oughs> คือความเกลียดที่พูดถึงความไม่พอใจความพยาบาทนะสิ่งที่เราต้องมีคือจิตเป็นกลางกลางจิตมีเมตตาเมตตาในที่นี้ก็คือเหมือนอย่างกับแม่รักลูกอย่างเงี้ย ลูกตัวเองออกมาจะคันตัวเองคุณตือใจเนื่อออกมาอุ้มท้องมาตั้ง9้าเดือน10เดือนเนี่ยพอลูกคลอดโผล่ออกมาเนี่ยต่อให้ลูกหน้าเกลียดขนาดไหนเป็นดาวซินโดรมหรือว่าปากแหว่งจมูกโหวแค้นขาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม่นะอุ้มลูกอยู่ในมือนะโอ้ยก็ต้องรักลูกไม่ว่าลูกจะออกหน้าตามาเป็นอย่างนี้เนี่คือความเมตตาพระ พ, พุทธเจ้า พ, พูดถึงความที่แม่เนี่ยถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนเนี่ยนี่คือลักษณะคนที่มีความเมตตา มันจะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้หรอกนะไม่ว่าจะเป็นแม่ชาวฝรั่งเศสแม่ชาวอินเดียแม่ชาวไทยภาคเหนือภาคใต้คุณจะรักลูกแบบนี้เหมือนกันหมดไม่มีคําอธิบายคําตรงนี้คือความเมตตาที่เราต้องมนะีพอมีเมตตาแล้วเราก็ต้องมีกรุณามุตตาอุเบกขาด้วยน ะ, ะทีนี้ว่าความเมตตาไม่เหมือนกับความรักตรงนี้ด้วยแล้วก็ความอุเบกขานะจะไม่เหมือนกับความไม่แยแสไม่ใส่ใจทอดทิ้งจะไม่เหมือนกัน อ, อุเบกขาในที่นี้คือความวางเฉยแล้วบังเฉยคือรู้จักเบรกจิตของตัวเองมีกร่าวว่าผู้หนึงเขาไปปฏิบัติธรรมเขาฟังอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยนะเขาก็ไม่เข้าใจอะ่ะก็คือชาวบ้านชาวนาเ น, นี่ยแหละนะอุเบกขานี่มันคืออะไรเขาฟังอยู่ตรงนะั้นตรงนานทนอยู่ตัง้งเจ็ดแปดวันแล้วค่อยมาถามเราสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยเขาเข้าใจว่าอ๋อเวลารถยนตนะ์เนี่ยคุณเตือนใจมันเบรกมันต้องใช้ขาเบรก เพระเขาึงอุเบกขาเบรกอยู่ที่ขานะเป็นวิธีการจําที่ง่ายมากเป็นวิธีกาของเราคือต้องหยุดจิตของเราให้ได้ในหยุดจิตของเราไม่ให้ไปอยู่ในแดนลบในหยุดจิตของเราไม่ให้ไปทําอะไรที่มันไม่ดีอันนี้ก็ในยะที่หนึ่งในยะที่สองนี่พระเจ้าพูดถึงความวางเฉยที่เวลามีอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ได้มากระทบในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิ่งที่จะทําให้เราโกรธสิ่งที่จะทำให้เรา เพิกเฉยเราก็ไม่พอุเบกขาอยู่ได้ก็ <c ười> คือผัสสะทั้งหลาย <c ười> ใช่มเจ้าค่ะที่มากระกบทบเราเจ้ค่ะอย่างเวลาที่เราเจอสิ่งที่ <c ười> น่าสงสาร <c ười> น่าสงสารอย่างเห็นขอท่าอย่างเงี้ย เ, เป็นโรคเรื้อนด้วยอ่าแล้วก็อุปกรณ์ อ, อวัยวะไม่สมประกอบด้วยน่า <c ười> สงสารสงสา ร, สสารเราจะมีความอะไรเราจะมีความกรุณานะความกรุณาที่แหมปรารถนาให้เขาพ้นทุกจากตรงนี้นะอาจจะช่วยได้เราก็ช่วยบ้างนี่คือความกรุณา ทีนี้ถ้าเราช่วยไม่ได้นะสมมุติว่าเราให้ให้เสร็จสางเข้าไปแล้วนะเขาก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีอะ่ะถ้าเราไม่รู้จักวางอุเบกขาตรงนั้นด้วยเนี่ยนะเราจะไปไม่รอดคือเราก็จะต้องเอาหางานให้เขาทําอุ้มไปที่บ้านนะอาบน้ําให้ป้อนข้าวคือมันจะไปสุดที่ไหนละ่ะใช่ไหมคือจุดจ บ, จบตรงนี้มันอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่ความอุเบกขาเราวางอุเบกขาได้ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นนะวาระกรรมของแต่ละคนไม่เท่ากัน อย่างคนขอทานที่อยู่ในตามบนสะพานลอยเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วไหมคุณตันใจยังมีอยู่เจ้าค่ะอ๋อหรอเ <laughs> จ้าค่ะคิดว่าจะ ม, มีแต่สมัยอาตมานะตอนนี้ยังมี อ, อยู่เอาไม่เป็นไร ค, คือคือเราสงสารเขาเราช่วยเหลือเขาเราช่วยเหลือเขาดีที่สุดเอาพาไปกินข้าวนะพาไปอาบน้ําแต่งตัวดีๆนะมันจะไม่หยุดนะถ้าผมว่าเรายังมีอยู่เรื่อยๆนะเราก็แต่ว่าเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องทําอยู่เรามีกรรมที่เราจะต้องดําเนินไปอยู่ใช่ไหมอุเบกขาตรงไหนตรงนั้นคือพอ เจ้ค่ ะ, ะเหมือนกันในในยะของความกรุณาเนี่ ย, ยสมมุติเราเห็นสัตว์ตัวหนึ่งอย่างเงี้ย เ, เห็นมดอย่างเงี้ยยุงมากัดเราเอ๊เราจะบี้ยุงก็ได้นะเป็นเตือนใจแต่เราไม่บี้หรอกเราหวังความเอ็นดูเกื้อกูลกรุณาในยุงตัวนี้เนี่ยคือความกรุณา อ, อารมณ์จะเป็นแบบนี้อเจ้าค่ะ อันนี้เราก็จะได้บุญเลย<ม>ใช่ไหมเจ้าคะถ้าแบบเราคิดแบบนั้นโอ้บุญเกิดทันทีคุณเตือนใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะบุญเกิ ด, acs, กดทันทีบุญนี่เกิดง่ายมากเราแค่ว่าเราไม่ด่าคนร่วมงานเราคิดคิดดีๆกับทุกคนแค่นี้เราก็ได้บุญละเจ้าค่ะเจอลูกทำโย้เย้โย้เย้หน่อยเราไม่ด่าเขาอดทนไหมนี่เราได้บุญละเจ้าค่ะมอเตอร์ไซค์ปัดหน้าแทนที่จะชูนิ้วอะไรให้เขานิ<ร>่งไว้อ่าเราก็<ร>ได้บุญละอย่างนี้นะเออได้งานมา ส่วนประการที่สามคือเวลาที่เราเห็นใครเข า, าได้ความดีมีความดีประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยเราไม่อิจฉาริษยานะอารมณ์นี้คืออารมณ์มุทิต า, า, าเห็นเขาเรียกว่ายินดีในสิ่งที่เขามีานะอย่างสมมติเพื่อนร่วมงานของเราอย่างเงี้ยแม่เขาทำความดีเออเขาได้ดีนะแม่เราดีใจด้วยแค่นี้เองนะเป็นอารมณ์ง่ายๆอย่างนี้บุญเกิดทันทีนะบุญเกิดทันที ทีนี้คือชี้ประเด็นให้เห็นความแตกต่าง ร, ระหว่างความรักที่เต็มไปด้วยความรุ่มหลงกับความเมตตาสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะชี้ประเด็นให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเกลียดโกรธพยาบาทมุ่งร้ายกับความอุเบกขาอันนี้ไม่เหมือนกันทีนี้ประเด็นถัดมามันอยู่ที่ตรงนี้คุณเตือนใจแล้วแล้วถ้าเราไม่มีสี่อย่างนีแ้แล้วจะเอาจิตไปตรงไหนจิตเราจ ะ, จะไปทํำยังไงจิตเราจะตั้งไว้อย่างไร ที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้จ้ะจก็คือต้องบอกให้ฟังว่าจิตของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ของเราไปอย่างเป็นปกติคือจิตเนี่ยมันไปรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้านหลัง ต, ตื่นเช้ามาคุณเปิดหนังสือพิมพ์พั๊บปัเปิดดูอย่างเงี้ยเราจิตให้คือคือคุณทําอะไรละ่ะคุณเป็นข้าราชการเหรอหรือคุณทําธุรกิจหรือว่าคุณทําหน้าที่อะไรการงานอะไรคุณก็ดูข่าวที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับตัวเราเอง นะบางทีไปเห็นข่าวที่มันไม่เกี่ยวบ้างทำให้จิตเรากระเทือนบ้างอะไรบ้างมันก็จะไม่ดีทีนี้พอพอพูดถึงประเด็นที่ว่ า, เ, าเรามีผัสสะอยู่ตลอดเวลาคุณเตืนใจนึกออกไหมพอเรามีผัสสะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนี่แหละคือจริงสิ่งที่เราจะต้องทรงไว้ให้ได้นะว่า <Okay. S 1> ไม่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปในแถวแนวสุดโตง่งด้านในด้านหนึ่ง เิดว่ามีจิตสัตล์ไปมาอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะสาวัยรุ่นเน่ก็จะว่าเหียงเหวี่ยงเจ้ค่ะเจ้าค่ะหรือจี๊ดอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะหรือจี๊ดก็วีนวีนอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะหรือวัยก็รุ่มหลงโอ้โหแบบเขาเรียกว่าความรักทําให้คนตาบอดนั่นก็อีกข้างหนึ่งนะสุดโต่งไปข้างหนึ่งอันนี้เราไม่ควรเป็นนะเราก็ให้เหวี่ยงน้อยน้อยหน่อยให้นิ่งนิ่งอยู่หน่อยนะนิ่งแล้วทําไมแล้วชีวิตจะไม่มีสีสันเลยหรอมันคนละเรื่องกันเดี๋ยวฟังให้ดี <Okay. S 2> ก็คือว่าถ้าจิตเรานิ่งอยู่แล้วเนี่ยนะเราจะเป็นจิตที่เป็นสมาธิใช่ไหมเป็นจิตที่ <Okay. S 2> เป็นสมาธิเนี่ยก็คือวัดระดับของความสุขที่เรามีอยู่ในจิตนะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปตามที่เราจะต้องทำใช่ไหมที่นี้พอจิตที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากคุณเตือนใจ <Okay. S 2> คือมันจะสามารถตัดสินการงานได้อย่างดีน ะ, ะคุยกับคนอื่นก็คุยด้วยความที่สุภาพเป็นสมาวาจา วเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราก็จะแก้ไขได้อย่างดีดู <Okay. S 1> อย่างคนที่เวลาเจอปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยแบบเหตุการณ์ขับขันอย่างเงี้ยทำไมนักดับเพลิงเนี่ยเขาจะต้องคอยฝึกเนะเขาใช้เวลา 95% ของเขานะในการฝึกนักดับเพลิงเนี่ยดับเพลิงจริงๆอยู่ต่อหน้าไฟสู้ไฟจริงๆเนี่ยแค่5เปรเซนต์หรือ3เปรเซนต์เท่านั้นเอง <Okay. S 1> แล้วที่เหลือ 97% 95% เกาา็าอะไรเขาฝึก ฝึกเพื่ออะไรเวลาที่อยู่ต่อหน้าไฟตรงนั้นเขาจะทำได้เหมือนกันจิตของเราเนี่ยถ้าเป็นจิตที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยเวลาที่เจอสถานการณ์เนี่ยเราจะไม่ร่ำให้คร่ำครวญทุบโขชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพอหรือไม่เราก็จะไม่เป็นผู้ที่รุ่มหลงมัวเมานะผัวพันผูกพันในสิ่งนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถตัดสิน การงานตรงนั้นเนี่ยได้อย่างดีนะอยู่ต่อหน้าสถานการณ์เนี่ยคือมันจะมีแค่หนีคือกลัวจนกระทั่งแบบทําอะไรไม่ถูกนะหรือว่าร้องไห้แล้วก็ทําอะไรไม่ถูกก็มีแต่ว่าจะเป็นผู้ที่สามารถนิ่งอยู่ได้อย่างในสถานการณ์น้าท่วมที่เราผ่านมานะเราเห็นว่าคนที่เขานิ่งๆอยู่ไดเ้เขาคิดประดิษฐ์สิ่งของอะไรออกมาต่างๆใช้แก้ไขาการงานได้เยอะแยะไปหมดก็เป็นลักษณะของคนที่ทําจิตเนี่ยให้มั่นคงอยู่ได้ <น> ค, คิดแก้ไขการงานได้แล้วมันมีประโยชน์ในทุกๆสถานการณ์เลยนะเจ้าค่ะอพอจ<ส>ากกระฉ<ส>ามมาถึงตรงนี้โยมก็อยากจะขอ อ, อนุ ญ, ญาตที่จะกราบถามพระอาจารย์ไพบุญ mm hmm. อภิปุโ น, โนนะเจ้าคะว่าในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตของเรานิ่งอยู่ได้ไม่สัดสายไปมาแล้วก็ไม่เขาเรียกว่า สุดโตรงทั้งเรื่องของรักหรือของเกลียดนี่เจ้าคะ<ช>่ะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรและจะทําได้ที่ไหนจึงจะเหมาะสมมาเจ้าคะ่ะ ท, ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่มดเจ้าค่ะทังออกที่ปลายจมกูกนะคือบางคนก็จะมองข้ามไปคือตาเนี่ยมันจะแทบจะมองไม่เห็นจ ม, มูกก็จะมองข้ามปุ้นไปนู่นเลยนะแต่จริงๆพระพุทธเจ้าพูดถึงการดํารงสติไว้เฉพาะหน้าด้วยการให้เรามามีสติอยู่ในลมหายใจในะลมหายใจในที่นี้ก็คือจะผ่านเข้าออกอยู่ใน โพรงจมูกนะซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงการดํารงสติเฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือในโพรงจมูกนั่นเองในโพรงจมูกของเราเนี่ยถ้าเรามาระลึกถึงนึกถึงลมหายใจนะแทนที่เราจะไปนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงคนนน้นคนนี้คนนั้นเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงโอ้ยมันวุ่นวายไปหมดเอาพอมานึกถึงลมหายใจซะมาดํารงสติเฉพาะหน้าสติในที่นี้คือความระลึกได้ อย่างเรานึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกถึงเรงืร่องโน้นเรื่องนี้ได้เรามารวบรวมจิตของเราตรงนี้ซะให้มาอยู่ที่เดียวนะคือที่จมูกดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วตรงนี้นก็ไม่ยากนะคุณเดินใจคือคือทุกคนหายใจได้บางคนคิดว่าการสังเกตลมหายใจเนี่ยจะเป็นเรื่องยากมาต้อง บังคับลมหายใจไม่ต้องลมหายใจสั้นหรือยาวจุดที่มารับรู้นี่กี่ตารางมิลลิเมตรและเอื้อเลื่อนไปกี่ <บ S 1> องศาข้างซ้ายข้างขวาลมร้อนลมเยน็นตอนเช้าทําได้ไม่ตอนเย็นทําไม่ได้โอ้มันเป็นเรื่องยากเกินไปพราะเจ้าไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้เลยเอาง่ายๆแค่ว่าเรามาดํารงสติเฉพาะหน้านึกถึงอย่างอย่างคุณเตืนใจนึกถึงเพื่อนนึกถึงเบอร์โทรศัพท์ตัวเองนึกถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเรายังนึกได้ใช่ไหมแล้วลมหายใจมันอยู่กับเราตลอดเวลา เราก็ยังต้องนึกลมหายใจของเราได้สิสติในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดถึงระลึกถึงสิ่งที่ทําจํำคาที่พูดแล้วแม้นานได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คืออานาปานสติใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่แม้ใช้สับสูงก็จะเป็นอานาปานสติเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์สอนมาเจ้าค่ะอทีนี้ว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่กับเราตลอดเวลาอคือถึงแม้เวลาที่เราหายใจเนี่ย มันคือตอนนอนเราก็หายใจอ่ะยกเว้นตอนดำน้ำตอนนั้นเองอถ้าดำน้ำมีเครื่องช่วยหายใจก็ยังหายใจอยู่ด้วยซ้ <Okay. S 2> ําา้ค่ำทีนี้ประเด็นคือว่าบางคนมีหมอคนหนึ่งคุณเตือนใจเขามาถามมาตมาเขาฉลาดมากมากเลยนะ <Okay. S 2> เขาบอกว่าเอ๊ะตอนที่ระหว่างลมหายใจออกเนี่ยแล้วมันยังไปจะเกือบจะสุดแล้วเนี่ยมันสุดแล้วเนี่ยแล้วมันจะทวนมาเข้าเนี่ยตรงนี้ช่วงนี้มันไม่หายใจนะ mm, <okay. S 2> คือเการหายใจเนี่ยหยุดแล้วการหายใจหยุดตรงเนี้ยเราจะเอาจิตของเราไว้ที่ไหนน่ะ หมอละเอียดมากเจ้าค่ะละเอียดมากจริงๆนะหรือวลาตอนดำน้ํำอย่างเงี้ยเขาถามว่าแล้วแล้วเขาจะทําจิตยังไงอหรือว่าตอนที่เราใกล้สไตล์แล้วตอนนั้นลมหายใจไม่มีแล้วเนี่ยหัวใจเริ่มหยุดเต้นแล้วเนี่ยไอ้กระบังลมมันมันเลิกขยับแล้วเนี่ยลมหายใจอ่อนแล้วเราจะทํำยังไงเราจะตายยังไงอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็คือตตอบคืออะไรเจ้าค่ะคือมันเหมือนกับเราเอาเขาเรียกเข็มหมุดนะปักเอาไว้เลยปักเอาไว้ที่ตรงนั้น S <S ปักเอาไว้ตรงตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ่นะเอาเข็มมดนะุดเนี่ยปักไว้เลยนะแล้วก็เราก็เอาจิตของเราไว้ที่ตรงนี้ตลอดเวลาคือบางคนจึงไปสงสัยเรื่องลมหายใจว่าต้องลมหายใจแบบไหนเข้าออกกี่หน้าที่อะไรต่างๆไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ลมหายใจนะสิ่งที่เราต้องการคือจิตสิ่งที่เราต้องการคือสติเพราะสติกับจิตมันจะอยู่คู่กันใช่ไหมเราแล้วลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อล่อ จิตเฉยๆเหมือนเวลาเราไปตกปลาเนะ่ะเราต้องมีเหยื่อเบ็ดใช่ไหมเพื่อล่อปลาแต่สิ่งที่เราต้องการนี่คือปลาไม่ใช่เบ็ดไม่ใช่เหยื่อเบ็ด อ, อแล้วเหยื่อเบ็ดเนี่ยถ้าเป็นปลาน้ําตื้นปลาน้ําเค็มปลาน้ําจืดกุ้งหรือว่าน้ำไหลน้ํานิ่งก็จะเหยื่อเบ็ดมีคนละประเภทนะซึ่งเราพูดถึงอนาปานสติเนี่ยเป็นเหยื่อเบ็ดที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์น้ําทุกประเภทจิตทุกดวงคุณมีลมหายใจนี่ใช่ไหม เทวดาก็ยังอนาปนาสติได้นะแต่มาก็งงกั น, น<ท>่เจ้าค่ะแสดงว่าเทวาทดาก็มีลมหายใจนะนนต้องมีแน่นอนเจ้าค่ะคงจะต้องเป็นเรื่องที่เราไปพูดกันต่อไปแต่ว่าประเด็นคือตรงนี้ว่าเราต้องการจิตเพราะฉะนั้นถ้า เ, าเอาเหมือนกับเรา เ, าเข็มหมุดเนี่ยปักไว้ว่าจุดนี้เหมือนอย่างวัวควายเนี่ยเขามีการสนทภายเ<ท>จใช่ไหมคือเจาะจมูกวัวควายม้าเพื่อที่ร้อยเชือกบังคับมานะบังเหียนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนั้นก็คือจุดที่เราเจาะไว้เลย ปักหมุดไปเลยว่าฉันจะเอาจิตไว้ที่ตรงนี้จบเลยดำรงสติเฉพาะหน้าลมหมายใจมีไม่มีไม่เป็นไรฉันเอาจิตไว้ที่นี่พ อ, ะอ น, นะเราก็จะสบายอยู่ได้เหตุการณ์อะไรผ่านมากระทบกระทั่งเราไม่สะเทือนเหมือนผู้เขาหินเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอ น, นิยมคิดว่าคงจะต้องจดจำไว้แล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองด้วยนะเจ้าค่ะเพราะบางครั้งก็ก็จะแบบว่า เหมือนตอนที่ไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนไทยโชคใหม่ๆยงก็ยังงงว่าเอจะเอาจิตไว้ตรงไหนอะไรต่างๆนานานะเจ้าคะ่ะเหลือเวลาอยู่สามนาทีสุดท้ายเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอยากขอกราบน้มัสการพระอาจารย์ไพภูณอภิพุโนได้เมตตาที่จะสรุปการสนทนาธรรมของเราในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราควรจะทําจิตของเราอย่างไรให้ไม่สั่ดสายไปมาแล้วก็ด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่า อาณาปานาสติหรือว่าตั้งดํารงจิตไว้เฉพาะหน้าอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรเจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะคือถ้าเผื่อเมื่อเราสามารถดํารงสติเฉพาะหน้าแล้วนะมีเจริญอาณาปานาสติเนี่ยจิตของเราก็จะไม่ตกอยู่ในความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดที่เกิดจากความรักแล้วก็ความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดแลนะ่สี่อย่างนี้เราจะละลงไปได้พอเราละได้แล้วเนี่ย จิตเราจะสบายเป็นอิสะระอยู่จิตที่สบายเป็นอิสะระอยู่เนี่ยก็จะเป็นจิตที่สามารถยินดีร่าเริงด้วยดีนะก็ไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ย น, ปนแปลงของสิ่งภายนอกพอไม่สะดุ้งแล้วเนี่ยก็จะเป็นจิตที่สามารถปล่อยวางในรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ด้วยการปล่อยวางในจิตการงานของเราจะดีขึ้นครอบครัวของเราจะดีขึ้นนะสิ่งแวดล้อมของเราจะดีขึ้นเงินในกระเป๋าก็อาจจะตูงขึ้นด้วยนันะเราก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตยิ่ ง, งขึ้นไปถ้าเรามีสติ รักษาจิตยอยู่ด้วยในลักษณะนี้เจ้ า, าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิง่งบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะแม้แต่พี่น้องอาชาวไทยทุกท่านที่อาจจะนับถือาศาสนาอื่นก็ตามาท่านก็มีลมหายใจอยู่นะคะอาจจะฝึกเรื่องของการหายใจแล้วก็ดํารงจิตของเราไว้อันนี้ก็จะทําให้เราเป็นคนที่นิ่งเมื่อนิ่งก็เกิดการคิดพิจารณาที่ถูกต้อง เขาเรียกว่าเกิดปัญญานีเจ้าคะแล้วก็มีความสุขอยู่ได้ในทุกทุกในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถูกไหมเจ้าคะใช่ใชสาธุเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเราได้สนทนาธรรมะหรือเรียกว่าสากชาในเช้าวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้กับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนพระอาจารย์ของเรานะนะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการปฏิบัติ ทำตามพุทธวจนะเขาเรียกว่าถ้าเผื่อใครเป็นลูกศิษย์วัดอ่าดอนไหโซก็จะทราบว่าณที่นั้นพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าปิดวาจาแล้วก็เป็นการดําเนินการที่ว่า อ, อย่างเกรงครัดในการที่จะปฏิบัติธรรมก็สําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่รับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคูณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทภโส หรืท่านพระครูสิทธิ์พยประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีมีจิตศรัทธาดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนนะคะมีการ อ, อบรมปฏิบัติทําเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามพุทธวจนะเรียกว่าปิดวาจาอะไรต่างๆนี้เป็นประจําทุกเดือนสนใจก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของทางวัดนะคะซึ่งมีพระอาจารย์ ให้บุญอภิปุโนท่านดูแลอยู่ก็คือคอยตอบคำถามหรือว่าคอยที่จะให้ความเมตตาที่จะสนทนาตอบคำถามทั้งนำมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารัปรุณนี้รวมทั้งที่จะได้สักขฉาในรายการของเราด้วยที่เพียวธรรม m ดอทคนะคะ p u r e d h a w m a ก็คือ m 2ตัว a แล้วก็ก็คือจุด c o m นะคะ ก็คิดว่าอยากเรียนเชิญชวนทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เราก็คงจะต้องพาท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้ำรสการกราบขอพระคุณอย่างสูงในความเมตตาของพระอาจาร ย, ย์ไพบุญอภิปุโนที่ท่านได้เมตตามาสากชาหรือสนทนาธรรมะดีๆให้พวกเรามีความสุขในการรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่18บธันวาคมนี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในการสักษาสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับวันนี้เรามากราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขะเจ้าฟ้านสาธุเจ้าค่ะ